ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่ห้าตรงกับวันศุกร์วันนี้ที่เรามารวมกันที่ธรรมสถานมหาจุฬาลงกรณที่นี่เป็นเวลาสามวันผ่านไปแล้ว ที่เรามาประสมกันก็มีความคิดที่จะฟืน้นฟูสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารื่นแรกที่เรามาศึกษาและสนทนาเพื่อความรู้ความเข้าใจรุ่นสิลวันที่สองต่อมา เราก็ต้องมาสนทนาศึกษากันเรื่องสมาธิวันที่สามวันนี้เราก็มาสนทนาศึกษากันเรื่องคนรู้แลกเปลี่ยนกันเรื่องปัญญาแต่ละอย่างละอย่างมันมีสามัามารวอย่างนั้นเมืม่อพูดของตอนนี้จะเล่าเรื่องที่ปร ล, ลาปราลา ฟูฟังแตบางคนอาจจะรู้ก็ได้รู้ไม่รู้ก็ได้รู้จะเคยได้ยินมาก็ได้รู้ไม่เคยได้ยินก็นได้แต่สมัยเมื่อผมเป็นเด็กผมเป็นนันนากับพ่อผมพ่อผมเป็นนักบวชซึ้งท่านกุนปักดีเหมือนเป็นขุนขุนปากดีกดแต่ทํางานกับ ถ้ารัศ ก, การซั้นผู้ใหญ่พอสมควรในอำเภอนั้นท่านมีวิทานบทบาทหลายเรื่องเราให้ฟังเรื่องศิล น, นั้นศิล น, นี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธศาสนาแม้แต่นิดเดียวข้านี้จะพูดตามประวัติพ่อผมมาให้ฟังมันมีมาก่อนพุทธศาสนาสมัยนั้นผมเป็นเด็กท่านเล่าเรื่องคนตาคนตานั้นให้หบ้านดูในป่า หากินไปตามต่าตามโดยทาแล้วก็นอนในป่าหากินก็นไปอะ่างนั้นแหละสมัยนั้นไม่มีผัวเมวยมต่มาคนดูนั้นแหละชอบใครที่ไหนก็ต้องแต่งงานกันทั่วไปตามถนนขนทาง ต, า ต, ต, า ต, ตาา่างป่าตางโดยว่าไงบัดนี้คนเหล่านั้น มันงานงาผู้หญิงมีลูกผู้ชายไม่มีลูกตามปกติลูกอยู่กับผู้หญิงบางทีผู้ชายไม่มีลูกอยากให้มีลูกเหมือนกันกับผู้หญิงแต่ผู้ชายมีไม่ได้ตามปกติสมัยนี้เราก็เห็นด้วยตาว่าผู้หญิงมีลูกไปไหนมาไหนลูกกยูกับผู้หญิงฉะนั้นจึงไม่มีพ่อคมสมัยนั้นไม่มีพ่อท่านเาให้ฟัง ต่อมาคนสมานะก็ต้องมีหน้ามีหายให้มีผัวมีเมียมีคู่หองด้วยกันสะทาะแต่ละคนละคนเ ม, มื่มมอมีผัวมีเมียคู่หองก็ต้องพอดอีต้องพอดีเมื่อพอดูล้คนลูกนั้นก็เอากันไปอยู่ในอยู่ในปานะ่าเนี่ยคนป่านี้ไปมาแล้วก็เดินวิ่งไปตามปา่าตามบึงนั่นแหละ คนสมัยนั้นไม่มีหลักแหล่หัวเข่าวะอย่างนั้นล้มลักลุกไม่ได้ก้าวขาไปหาต้นไม้ลุกขึ้งไปลุกไปจากต้นไม้แล้วก็ลุกขึ้นเ ด, ดินโรเร็ววิ่งงานสาไม่ได้เพราะมันจวนยังไงก็ไม่สาเพราะคนไม่มีหลักแหล่หัวเข่าวะอย่างนั้นบัดนี้คนเราน่าก็เลยอยู่เป็นกลุ่มกันจํานวนสิบบ้านสิบหลังคารวนเลยแต่ไม่มีไม่มีหลังคารวนนะสิบคนสิบครอบครัววะอย่างนั้นนะ จำนวนสิบครอบครัวนั่นเนี่ยอยูด้วยกันอู่ด้วยกันมีคนคนหนึ่งเป็นคนเปลียดคานคนไม่เอาการไม่เอางานจำนวนเก้าคนนั้นเอาการเอางานขยันขันแข็งบนันทึกทีแรกจำนวนคนสิบคนนั้นต้องทําการทํางานประสานงานกันดีดูมาวันหนึ่งตามปกติคนนุกนั้นไม่มีนาไม่มีสวนหากินหนักไหม เมื่อจับสกิมว่าย่างไงอันนี้ขอโทษนะี่ยล้วเป็นประวัติคือผมได้ได้ยินประวัติพ่อผมไม่ให้ความเป็นี่ถามเรื่องปัญญ์ปรลาดแต่ก็จริงในสมัยนี้ผมนักลองคําพูดครูของผมครูคนแรกที่สุดพอผมแม่ผมเรียกครูที่สองคือครูบาอาจารย์คููให้ผมรู้นั่นเป็นอย่างไงบันนี้คนเหล่านั้นเนี่ยประหยัดค้าม บรนลุเก้าคนไปหาเกล็ดตักไม้มากินทุกวันคนนั้นก็เลยเกลียดทามไม่ไปหาลักกินของเพื่อนว่ายังไงเมื่อลักของนายกอนายขอจานวนสิบคนน่้นลักคนคนเก้าคนนายกอเนลักกินของคนนั้นคนนี้ไปทั้งเก้าคนเมื่อลักกินแต่ละคนจานวนเก้าเขือนกนเลยหาวิธีหาวิธีดืนงาม ดยู่งานกันเรียกว่ า, าเรก็คครเคครยกว่า อ, อ, อยู่งานกันนั่นแหละโอคนกวนไหมคนกวนไหมเออญาติหันมาทำกัเลยวันนี้คนจำนวนนั้นก็เลยพูดกับว่าเอาอยู่งานกันใครมาลักใครลุ้งก็เลยอยู่งานกันเก้าคนถัดเปลี่ยนกันมาวันนี้ก็เห็นมาลักของนายนายคนนี้เมื่อต่อไปก็ลักของไอตาคนนั้นลักไปทั้งเก้าคน คนที่ติดลักของเก้กาคนเก้าคนนี้กะลมติกันเลยอ้าวถ้าอิตาคนนี้ลักของเราให้หนีไม่ให้อยู่ด้วยเราไงเนี่ยสินธรรมเกิดขึ้นแล้วสมัยนั้นศินมีแล้วเนี่ยแต่เขาไม่ได้พูดว่าศินอันนี้แหละเรื่องาศาสนาสินธรรมมันมีมาก่อนถ้าจะศึกษาจริงๆรับรองไม่ผิดอันนี้ที่เราศึกษากันเรื่องาศาสนาเนี่ย ไปเก็บเอาให้ฟังน้อยๆเพราะว่าเวลาจะไม่พอบนนี้จํานวนเก้าคนไล่คนเดียวหนีจําเป็นอยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีเมื่อห น, นีไปอยู่ครอบครัวเฮือนเราคนเดียวสมัยนั้นคนมันไม่เหมือนอย่างสมัยนี้กลัวผีกลัวเสือกลัวอะไรทุกประเทศกลัวกันก็เลยมาขอร้องขออยู่ด้วยเพื่อนเพื่อนเนะี่ยมันสํานึกได้เพราะกลมผิดที่ลําผิดมาก็เลยมาลักสรารภาพกับเก้าคนนั่นแหละ จำนวนข้าวคนนี้เห็นว่าคนนี้มันสนุกได้ก็เลยรับเอกคืนมาไว้ให้เป็นคนรักคนแพงกันขยนันขันแข็งทำการทำงานช่วยกันคนนั่นก็เลยรับสารภาพนี่สินทำเกิดขึ้นแล้วข่าวนี้นี่แหละสีนนัไม่ใช่ตัวปานาถ้าพูดอย่างนี้นะอันที่พ่อผมมาให้ฟังอันนี้พ่อผมเป็นนักบวชหรื ว, เว่เป็นขุนปากดีวะเนี่ยเป็นขุน มีตัวอาินาเกิดก่อนเพื่อนเมื่อตัวอาทนาเกิดขึ้นตัวกาเมตัวมุษสาตัวสุลาตัวปานามาเกิดเครื่องหลั ง, งท่านได้อย่างนั้นแต่จะจริงไม่จริงไม่ทราบดังนั้นเรื่องอธทนาเกิดขึ้นเพราะอีสาคนนั้นบัดนี้มีคนที่ไม่เขารบลูกเบียกันกามเมเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ไม่ได้บังคับอีสากาเมกเหมือนกันนี่ตัวอย่างนั้น นี่นี่แหละเรื่องเรื่องอีกเรื่องพอผมเล่าฟังบัด น, นี้ปรีธากรรมลักษณะภาพได้ยอมสารภาพบัด น, นี้คนโกหกพูดเท็จตัวขึ้นมาแล้วบัด น, นี้เนี่ยเป็นอย่างไงเขาบังคับไปคนจนํานวนจํานวนนั้นเขาไม่ให้อยู่เลยจํานวนเก้าคนบังคับคนเดียวนี่แหละคนดีมีมากคนเนาะคนชั่วมีน้อยคนถ้าหากพวกเรามาศึกษา จริงๆแล้วคนดีมีมากคนซัวนะั้นมีน้อยที่สุดนิดเดียวเท่านั้นแต่เราไม่เข้าใจว่าคนชัวมันทํำความเดือดร้อนถ้าเอาคนซัวนะั้นมาฝึกฝนอบรมให้มันเข้าใจมันกกับตัวดีได้แต่นี้ตัวมูสาก็เหมือนกันตัวสุลาก็เหมือนคนสมัยนั้นจับสัตว์จินเขาจะไม่กล่าวตัวปานาคนสมัยนั้นจับสัตว์จินเขาก็เลยไม่ห้ามกับตัวปานาดังนั้นสมัยนี้เขาเรียกปานาขึ้นต้น ก็พอแล้วคอนี้ก็พอนะเรื่องศิลป์แบบ น, นี้มาพูดกั น, นเรื่องสมาธิสมาธินี่คือคนตั้งใจทําการทํางานคนลุกนั้นไม่เบียดข้านการงานนะใครังไขยันขันแข็งทาการทํางานต่อหน้าที่คือมีสมาธิว่าอย่างนี้อันนี้ประหลามประลาเนี่ยประหลาประลาปัญญาบัญญ้คือไม่เห็นผิดคือทําอะไรทําด้วยสังคม ดังนั้นสินนั้นจริอย่างที่เราเคยพูดมาพูดตรงๆผมได้ยินท่านมหาสมบีพูดเมื่อวานนี้ว่าสินสังคมกับเจ้คณะจังหวัดเลยพูดเรื่องสินสังคมก็จริงมันมีมาก่อนดังนั้นวันนี้ก็ต้องพูดเรื่องศินอีกแล้วสมาธิปัญญาอีกด้วยเพราะวันนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้ดังนั้นศินนั่นมันมีสองประเภทคนรักษาศินสินรักษาคนมันนบกลงอย่างนี้นะ คนรักษาศีลต้องอยู่ในวงกลมอันนั้นือว่าคนรักษาศีลศีลรักษาคนยังไงคือตั้งมั่นว่าศีลรักษาคนศีนลรักษาคนต้องศึกษาหลักพุทธศาสนาจึงจะเป็นศีนลรักษาคนสมาธิก็เหมือนกันสมาธิอย่างที่เราพูดกันนั้นอันนั้นสมาธิตอนนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอน สมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นสมาธิแปลว่าตั้งใจมัน่นรู้จักต้นตอของชีวิตจิตใจของเรามันนึกมันคิดอะไรรู้เห็นเข้าทันอันนี้เป็นสมาธิของพระพุทธเจ้ารับรองได้เรื่องนี้สมาธิพระพุทธเจ้าเนี่ยทการทํางานตามหน้าที่เหมือนกับคนสมัยกรรพูดนันปัญญารอบรู้คือรอบรู้ในกองสังขาร พคำว่าสังขารเราก็พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญนงานอันนี้เป็นลูกห้าเป็นลูกสี่ลูกเบตนาสัญญาสังขารวิยนงานเป็นลูกห้านี่นี่ต้องเข้ามาลูกอันนี้อันนี้ดอกปัญญาเอาตัวรอดปัญญาเอาตัวล่อคือปัญญาคนประกาศทุกได้จริงอันนี้เป็นปัญญาฐาพุทธศาสนารับรองได้พวกนี้มันตรงกับคำของคนโบราณพูดมาทั้งนั้นแต่เราไม่เข้าใจ เราก็เลยไปเรียนหนังสือสมัยนั้นเขาไม่ได้เรียนหนังสือเพราะตัวอักษรไม่มีวั น, นวันนี้ผมได้ยินมหาเปรตถามนักเรียนตัวอักษรนั้นมีขึ้นเมื่อปีพศเท่าไหร่นักเรียนเขาพูดกันแล้วใครเป็นผู้ตั้งตัวอักษรขึ้นมันพ่อคุณลามคำแหงพ่อคุณลามคำแหงเกิดก่อนพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเกิดก่อนเนีย่ยคิดดูให้ดี พ่อคุณรามคำแหงตั้งขึ้นมีตัวหนังสือตัวไทยแต่สมัยนั้นคนไม่เรียนตัวไทยเขาเรียนตัวหอมตัวหอมนี่นี่นี่ประวัติมันพ่อผมเคยเล่าสูกฟังบัด น, นี้พุทธศาสนาเข้ามาในเมืองไทยสมัยนั้นมันไปขเขมรที่ไหนเขาคงเขม่ทราบมันเป็นภาษาบาลีมาเข้าเมืองลาเข้ามาเข้าเมืองไทยไว้อย่างนั้นอันนี้ก็เอาไว้ได้ก็ดีในที่ตอนนี้ ดังนั้นหลักพุทธศาสนาที่จริงแล้วเรื่องวิปัสสนาจริงๆนั้นไม่ต้องไปศึกษาอะไรให้มากพูดตอนนี้ผมก็เลยเอากรมจริงมาพูดที่ผมดูหนังสือธรรมวิจารเป็นคู่มือหลักนักธรรมสันเอกผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติให้ถูกตรงไม่ศึกษาเล่าเรียนอะไรให้มากท่านสอนให้เจริญสติให้เกาะกันเหมือนลูกโซ่ อย่างถูกต้องเสด้วยอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงสิบห้าวันหรือเจ็ดวันมีอ น, นิสงสองประการหนึ่งเป็นพระอรหันต์สองเป็นพระราคามีว่าอย่างนั้นอันนั้นตําราพูดใครเป็นคนรับรองตาํารายกมือก็ได้รับรองตาราจริงหรือหรือท่านรับรองคำพูดของท่านต้องเอาอย่างนี้อีกด้วยนะ ผมคนหนึ่งรับรองตำลายกมือก็ได้ผมยกมือคนเดียวก็ได้ไม่มีใคผมรับรองตำลารับรองคำพูดของผมอีกด้วยทีนี้ผมรับรองอย่างนี้ถ้าหักศึกษาวิปัสสนาอย่างถูกต้องแล้วอย่างนานสามปีให้เจริญสติอย่างถูกต้องอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีสาม้อยหกสิบห้าวันอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอันนี้สงไม่ต้องพูด ทุกจะหมดไปผมเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นคนจะรับรองคําสอนของพระเจ้ายกมือคนเดียวนี้ทุกหมดได้จริงอันนี้ปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าหากปัญญายังแก้ทุกไม่ได้อันนั้นยังไม่ถูกต้องหลักพุทธศาสนาเรื่องนี้ดังนั้นศีลธรรมก็ตามสมถะกรรมฐานก็ตามวิปัสสนาก็ตามวิปัสสนาแป้ว่าเห็นแจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมว่าอย่างนั้น วิปัสนานี่อันที่ยกมือตอนนี้ไม่ใช่เป็นวิปัสนาอันเนี้ยเป็นวิธีการให้เจริญสติดูลมหายใจเป็นวิธีการให้ให้เจริญสติพุทโธเป็นวิธีการให้เจริญสติอันนั้นไม่ยุ่งมายุ่งเรื่องสมาธิแบบนี้สมาธิแบบที่พระพุทธเจ้าสอนท่านไม่ได้สอนสมาธิแบบนี้แต่สมาธิอันนั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้า สมาธิแบบที่เป็นนั่งอย่างนี้ผมทำมาตั้งแต่อายุสิบอ็ดปีจนถึงอายุยี่สิกว่าปีผมมาทำพองอยุคใิเวลาแปดปี <_ S 1> <_ S 1> อานาปานัตติไม่ต้องพูดพุทโธก็ตามสัมมาอะหังก็ตามของอยุก็ต้องเกี่ยวข้องเรื่องอานาปานัสติทั้งนะั้นดีแล้วที่เราทำนั้นมันใช่ว่าไม่ดีมันดีแลวดีเพราะอะไรดีเพราะความสงบคำว่าความสงบนนท่านพูดไวอย่างไง เขาเรียกว่าบุญบุญแปลกดสงบตอนนี้ตัวหนังสือท่านจะเขียนขึ้นมาเอาเพียงสัจจ์สัทพ ร, ร, รมสัตซ์ซื่อสัตตวะหรือว่าสัทธาตัวหนังสือไม่เหมือกันอันนี้ไม่ใส้เกี่ยวข้องกับหลักพุทธศาสนารับรองได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนหนังสือสมัยนั้นคุณนำคําคแหงทำขึ้นยันแ้วกับพระพุทธเจ้ากับคุณนำคาแหงก็ต้องเป็นอันเดียวกัน เราต้องรู้จักความหมายอันนี้ผมรับรองได้เพราะผมเป็นเด็กน้อยพอ่อผมน้อฝังเรื่องนี้ผมจำได้ครูคนแรกที่สุดพอ่อผมกับแม่ผมครูที่สองผมไม่ได้เข้าโรงเรียนผมมาวัดเป็นเนมสอนผมให้รู้จักปานาอธินาการเมโมสาสุราอันนี้ครูครูที่สอนอันนี้ตอนแต่นั่งพุทโธทำโมอลาหังของยุคที่มีครูทั้งนั้นแต่ครูอันนั้นเรียว่ารู้จํารู้จักยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้จริงรับรองคําสอนของพระเจ้าไม่ได้ ตอนรู้แจ้งรู้จริงผมรับรองคําสอนของพระพุทเจ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นท่ามีสองร้อยผมรับรองสองร้อเปเซ็นจริงๆเรื่องนี้เรื่องที่จะพูดนี้ผมก็ยังไม่ได้พูดว่ปมมาปฐมฌานทูาาติญญาฌานตติญญาฌานจะตัวทาา่านไปไม่ต้องพูดอีกแล้วเพราะมันจะกินเวลาจะพูดน้อยๆเรื่องฌามนั้นไม่ต้องพูดฌานแต่ว่ารู้แต่ว่าเห็นแจ้แต่ว่ารู้จริง รู้อะไรขั้นแรกที่สุดคือรู้ตัวเรารู้ตัวเราจริงๆอันนี้รู้เรื่องนี้คือเราไม่สงสัยลังเลเรื่องถีเทวดาเรื่องสมมุตริรู้ให้หมดทีเดียวทีแรกเรื่องตัวรู้ตัวนี้และ้วะเจริญสติให้ติดตามความเคลื่อนไหวในอี้กับบุไดก็ตามจะมารูความคิดเป็นขั้งที่สอง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 เมื่อเรารู้ต้นเหตุของความยึดถือเรื่องกิเลสปันหาอุปทานไม่ต้องพูดก็ได้เมื่อเร า, ม, ามีสมาธิดีๆแล้วความสงบไม่ต้องพูดก็ได้นี่เรื่องปัญญาของพุทธศาสนารับรองได้นะพูดนี่อา้าวใครกล้ายกมือขึ้นไม่เกินสามปีนิยอมเสียสละซักเพาะรักษาอวัยวะเสียสละอวะัยวะเพาะรักษา ชีวิตแม้ยอมเสียกระทั่งชีวิตเพราะรักษาสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเรื่องนี้จริงๆมีวิธีที่จะเอามานันแนะนําให้คนรู้ทุกได้จริงๆสําเร็จแต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผ้าโสดาภ้าสักาขาีทาคาผ้านาคาผ้าลหลานอะไรไม่ต้องเป็นแต่เพียงจะไม่มีทุกเนี่ยเรื่องเรามีสติ มีสมาธิแล้วไม่ต้องเกี่ยวข้องกับไปนนั่งอะไรนั่งก็ได้นอนก็ได้เดินไปไหนมาไหนก็ได้คำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจไม่ต้องเกี่ยวข้องกับลมหายใจก็ได้อย่าพึ่งว่าผมโกหกอนาปานสตินะพูดอย่างนี้จะกล่าวหาว่าเอ๊ะทาแล้วโกหกเอาโกหกก็จาเป็นต้องพูดอนาปานสติเคยโกหกไงนะก็หาว่าเขาขัดขัดขวางนะ อยาจะหาว่าผมขัดขวางไม่ใช่ขัดขวางไม่ใช่ขัดข้องทําไปได้ไปไหนก็จะหาว่าผมโกหกก็ได้เพราะว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับอนาปานสติเพราะผมทำมาแล้วดลูลมหายใจลมหายใจโกรกคนเป็นไหมไม่โกรกแต่ลมหายใจมันไม่ใช่โกรกคนตัวมันโกรกคืออะไรตัวควมคิดควคิดโกรกคนเป็นไหมไม่เกี่ยวข้องกับควมคิดอีกแล้วนี่มันมีความคิดสักเม็ดดึงเกิดขึ้นวู่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันความคิดอันนี้ดังนั้น ผมได้ยินตำลาอันนี้ตำลาพูดตำลาเนี่ยครูบาอาจารย์สอนโยจะวัชตังสิเวอปัสสังอุทยัยังเอกาหังสีวิตังสเสยโยปัตสตูอุทยัยังท่านสอนอั น, นเรีย น, อ, น, นอันนี้อันนี้แต่ว่ารู้จักรู้จักพูดเพราะว่าคนบวชมาร้อยรรษาไม่ใช่ 10, สิบพรรษาไม่ใช่ยี่สิบพรรษาน้าร้อยพรรษาท่านไว้ถ้าหากไม่เห็น อาการเกิดดับนั้นการบวชของบุคคลนั้นเป็นหมันกันไว้อย่างนั้นบัดนี้บุคคลคนนี่แหละที่มาบวชวันนี้นี่แหละรู้จักส ม, มุฐานอาการเกิดดับดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลที่บวชมาลายพรรษาท่านไว้อย่างนั้นบัดนี้ทางฝ่ายไม่ได้บวชอันเนี้ยคนเกิดมามีอายุเป็นอยู่ร้อยปีถ้าหากไม่เห็นอาการเกิดดับบันนี้ชีวิตของคนนั้นก็เป็นหมันชีวิตของคนนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างนั้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 ท่านบอกว่าให้ไปได้เพียงภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือไม่ให้ไปท่านสอนทำไมไม่ให้ไปผมก็ไปภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ผมไปไปฟังอาจารย์สอนกรรมฐ า, านผมก็ยอมเป็นศิษย์ผมก็ไปที่ไหนผมเป็นศิษย์ทั้งนั้นก็ดีทั้งนั้นเพราะผมได้ผมรู้ไม่เป็นยางไงควรเกี่ยวกการเกิดดับกันไม่มีสองประเภทเหมือนกับพ้อผมไล้ฟังศีลธรรมนี่มันมีมาก่อนพุทธศาสนา ที่ผมเล่านี่นะคงจะเข้าใจได้แต่ผมเราน้อยคือว่าเวลาจะไม่พอเวลาไม่พอถ้าหมดทําแล้ว ก, ก็เตือนทางนี้แล้วทันทีนะผมจะพูดให้พอดีนี่แหละเราไม่เข้าใจว่าพอผมบอกว่าอทินนาห้ามหม่ใหลักของเขาตัวนี้มาขอนึงสิงแต่เรามาสมัยนี้กับปานาไม่ฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์นี่เราเข้าใจว่าสัตสัทธารือสัจคาว่าสั ต, ตวะไม่ฆ่าสัตว์ คำว่าสัตว์ในที่นี้มันก็มีจิตมีใจนะคนเรามีใจไหมมีใจศรัทธาแบบเนี้ยค่าศรัทธาหรือค่าสัตว์อะไรเราไม่รู้ศรัทธาสัจจะคืออสัตว์หรือสัจฉอเนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี้ยผมไม่ไม่ได้กำนันกับตัวหนังสือผมตีความหมายของซอผมเองอันนี้คำว่าสัตว์ในทีวนี้หมายถึงสัจจะแล้วของจริง คือธรรมะที่จะทําให้คนคน้คนประยชมูกใดทุกค น, กคนผมเข้าใจคม น, น, นี้นักนุ่งคนอยู่นี่ทุกคนมีแล้วตอนนั้นการตัดสรู้รู้ทำที่จะทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นั้ น, ม, น, ม, น, นมีก่อนแล้วมีก่อนพระพุทธเจ้าแล้วคันท่ามือก่อนแรกก็มีในคนทุกคนที่ไม่จะไปงมงายกันให้มันมากมายหลายเรื่องก็เรามงมกันเดี๋ยวที่เราเราคำพูดเราไปงมงกกันตามตัวหนังสือ เราก็เลยไม่ได้มาศึกษาของจริงเมื่อเราไม่พบของจริงเราก็เลยสนธนากันทั้งวันทั้งคืนก็ดีเหมือนกันผมรู้เหมืนอนกวงขวังดีนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ผู้ที่บวชคงจะเคยได้ยินเรื่องนี้เว้นแต่คนที่ไม่ได้บวชนะบวชแล้วบางคนไม่สนใจเขาไม่รู้ผมได้ยินครูบาลเล่าให้ฟังอันนี้ไม่พพอเล่าให้ฟังอาจารย์เล่าให้ฟังว่า มีภิกษุจำนวนหนึ่งเดินไปกับพระพุทธเจ้าจะไปเมืองอะไรผมก็ไม่ทราบตอนนี้ผมจำไม่ได้พระพุทธเจ้าเอาใบเอามือล่วงลมกัมเอามือล่วงลมกัมไปไปแห้งเป็นคํามือเดียวขึ้นมาลพล้ภิกษุจํานวนที่ตามตพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าถามว่าใบไม้ในคํามือของเรานี้กับใบไม้ในป่าอัะไรจะมากน้อยกันภิกษุทั้งหลายภิกษุจํานวนนั้นกลตาวพระพุทธเจ้าว่าใบไม้ในป่ามีมาก ใบไม้ในกํามือของพรัตถาคตมีดิบเดียวไม่สามารถที่จะมาเปรียบเทียบกันได้พิสุจํานวนนั้นตอบบัด น, นี้พยพระพุทธเจ้าเปรตอบบอกว่าธรรมะที่เรารู้มานั้นที่เราศึกษามานั้นมีมากเหมือนกับใบไม้ในป่าแต่คําสอนที่จะนมาสอนพวกเธอนั่นนหละเท่ากับใบไม แ, แห้งกํามือเดียวแค่นี้คือสอนเรื่องทุกเท่านั้นเรื่องทุกแก้ทุกดับทุกให้ได้ เรื่องสวรรค์นิพพานอย่าไปสงสัยตายแล้วเกิดจะไปสงสัยพระพุทธเจ้าไม่ได้พันญกรเรื่องนี้จริงจริงเรื่องนี้แต่คนเรามาันก็ไปสนธนากเรื่องตายแล้วเกิดไหมในเรื่องนั้นบุญคืออะไรผีมีไหมมันไปสนใจกับเรื่องนั้นแต่เรื่องทุกข์ไม่เคยสนใจเลยผมรู้เรื่องทุกข์นี้เมื่อผมอายุสี่สิบหกปี ผมรู้จริงๆรับรองได้ผมยอมเสียสละชีวิตจริงๆขอให้ผมได้พูดผมจริงนะสิก็พอใจละพอใจเปวนกิเลสนะเป็นกิเลสก็จําเป็นดันงนั้นผมวันนี้ก็มีสามสามพวกมาผมแต่ผมไม่ได้มาทางนี้ผมนั่งทางนี้นก็เหมือนกับพวกที่ท่านมานั่งทางนี้นก็เหมือนกันแต่ผมนอนบ้านนั่งบ้านผมพยายามปิดไม่ให้คนเข้าไปหาก็ยังมีคนซ่อนไปจนได้เพราะคนสนใจเขาต้องแสวงหาเครื่องดับฟุ้ก ฉะนั้นเรื่องกรรมฐานเนี่ยจะมีมากที่ผมฟังวันนี้ก็มีคนมาสนทนากันเรื่องปัญญาไอ้ปัญญาทําไมมีปัญญาสามรดาว่าสุตะมญยปัญญาจินตะมญยปัญญาพลนามญยปัญญาว่าคำพูดเนี่ยคําพูดแต่สุดตะมะยปัญญาตามตัวหนังสือว่าการศึกษาเราเรียนจากครูบาอาจารย์จินตะมะยปัญญาปรวัตการนึกการคิดพิจารณาให้เห็นแจ้งชัด ภาวนาไม่ยปัญญาสิมอาศัยการเจริญสติให้เกิดปัญญาอย่างหรืออย่างปัญญาขึ้นมาอันนั้นตัวหนังสือพูดมั น, น, นผมไม่รับรองอันนีน้แต่ผมรับรองรับรองคำพูดของพระเจ้าเจ้าคำพูดคํานี้ผมไม่รับรองการเจริญพลิกมือขึ้นขวมมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเนยพลิกตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกคือ น, น้ําลายผ่านไปใน ล, ลาคอนี้ อันนี้คนอื่นมองเห็นให้เรามีสติควบคุมรู้อันนี้ให้ได้รับลองรู้จริงๆส่วนที่มองไม่เห็นคือจิตใจมันนึกมันคิดจิตใจมันนึกมันคิดเราเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือคนอื่นมองเห็นให้เราไม่ได้เราจะเห็นได้เฉพาะตัวเราจริงๆเรื่องนี้แต่คนมีปัญญามองใจแล้วเดี๋ยวนี้คนไม่มีปัญญาก็เป็นธรรมดาเรียกว่าข้าวผีเนี <c> ่ย <oughs> เอาข้าวผีดังนั้นเราทํานาบ้านผม บ้านผมทํานาผมเคยเป็นเด็กทํานากับพ่อผมเวลาทํานาแล้วเอาเข้าวเกาะกันมาแล้วมาฟาดมาตีเป็นกุ้มข้าวข้าวลีบฟางปัดก็ให้หมดแต่มากไม้หมากหญ้าปัดก็ให้หมดเอาจะ่ข้าวอ้วนๆเต็มๆเวลาจะกลับบ้านเอาเข้าวลีบนั่นแหละข้าไม่มีไนนั่นแหละแล้วก็ขยนะนั่นไสหลางไปเขาเรียกว่าเอาล้อเอาเกลียวทําเป็นเกลียนเป็นล้อเอาไปให้ผีให้ผีเสื้อนานะผีตูดนาเน่ะ สามล้อสี่ล้อสามเกียนสี่เกียนเอาข้าวข้าเวอ้วนข้าเต็มนี้มาบ้านคนเราทุกวันนี้ชอบเอาข้าวผีไว้ข้าวมีวิตามินจริงๆไม่ค่อยเอามากินกันยังนั้นคนจึงเป็นโรคระบาดไม่มีวิตามินเดียวก็ไปหาหมอให้ยาวิตามินอันนี้ก็าเราก็เป็นหมอเ น, นี่ยคุณทีนี้เป็นหมอจะเอายาให้พวกคนที่ป่วยป่วยหนัก ๆ, ๆจิ้นต้องหาวิตามินเอาข้าวผีไปให้กิน ข้าวผีสู้เข้าเจ้าข้าวเหนียวที่มันอุ้วนๆเต็มๆเม็ดเดียวไม่ได้จริงๆข้ารีบเต็มยุ้งเต็มสางเอาข้าวเหนียวเข้าเจ้าไม่มันอ้วนเต็มๆเลยไปแลกเอกผมไม่เอาเอามาให้จักร้อยจักพันจักล้านจักแสนเท่าไหร่ผมก็ไม่เอาผมจะเอาข้าวมีไนเพียงเม็ดเดียวกพอแล้วเดี๋ยวนี้เราทรองวนกันเรื่องข้าวไม่มีไหน มันก็นเลยไม่ได้กินข้าววิตามินจ ร, จริงๆเรื่องนี้อันนี้แหละที่ว่าตัวนึกตัวคิดนี่อันนี้แหลวพักที่สองเห็นแล้วเข้าใจวลมโกงกลมโลภกลมหลงจะหายหน้าแวกไปทีเดียวให้ทำเหมือนแมวกับหนูคําพูดของผมหนูมาแม่มาจับอย่างแรงข้อเปรียบเทียบอีกบทหนึ่งเมื่อเรารู้แล้วมันคิดมันเร็วเปรียบเหมือนกับน้าบ่ขุดลงไปถุงน้ํา เราต้องออกขันวิดนามออกวิดแตก็คือความคิดอันนี้น่ะมันยิ่งคิดเรายิ่งตักตัดความคิดคิดดีก็ช่างคิดชั่วก so ็ตามเราตักน้ <sm> ําเท่มตักน้ําที่ธรรมดาน้ําอยู่ข้างในมันใสแกวออกมาแต่ความคิดอยู่ข้างนอกก็เหมือนกับต้มกับเพลนตัดมาไม่ทันมีคนใดมาพูดให้มันมันเราไม่เห็นต้นต่อของความคิดมันก็เลยไม่พอใจทุกแล้วน่ะหมายถึงว่าการให้ตักน้ําก็หมายถึงการให้ตัดความคิดดีก็ช่างคิดชั่วก็ตาม ตัดคนคิดตัดคนคิดเร็วๆเราจะสนิททำงานกับความคิดอันนั้นอันนี้เป็นวิธีอันหนึง่งบัด น, นี้คนไปถามผมเอ๊ะผมทำกรรมฐานทำไมมันฟุ้งซ่านผมก็เลยบอกมันฟุ้งซ่านมันดีแล้วผมบอกอย่างนั้นทำไมว่าดีธรรมดาจะเป็นนักมวยเป็นแต็มเ ป, เปี้ยนซกคนเดียวเป็นไหมซกไม่เป็นมีคู่ต่อสู้ต้องซกได้ถ้ามาันมีคู่ต่อสู้จะซกกับใครซกกับผีมันซกไม่ได้ ดังนั้นถ้าเราไม่สู้กับความคิดตัวนี้เราไม่มีวันไม่มีเวลาจะเอาชนะความคิดอันนี้ได้อั น, นี้กเป็นวิธีเป็นนักมวยเป็นเซมเปี้ยนเมื่อมันคิดเข้ามาเราต้องพยายามซกตัดตัดกับซกเป็นันเดียวกันตัดออ ก, ต, ออกตัดออกกันเรื่อยเ่ไปทีนี้เราสู้ไปไม่ได้บางคข้างบางค่าวมันถูกอารมณ์ปัสนูดึงไปลากไปเอาแพ้มาประจําเป็นเที่ยวหลังก็ต้องซกมืออันนี้ดอกเป็นวิธีเป็นนักมวยขึ้นในเวทีต้องซก ความโกรธตั้งใครพูดให้มานั้นอ่ามันจะโกรธแล้วมันเห็นว่ามันต้องซกทันทีนอกเอาก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เราเป็นนักมวยวิธีที่ต่อไปเหมือนกับเรากินน้ําแข็งเราต้องการผวมสงบอยากให้มันสงบน้ําแข็งมันเป็นค้อนบอเลิกกินเข้าไปแล้วมันร้อนของทีแรกกินเข้าไปน้ําแข็งมันเป็นก้อนบอเลิกกินเข้าไปแล้วมันร้อนของ ทีแรกกินเข้าไปมันเย็นในขณะที่ไปนั่งสงบสบายใจออกจากนั่งคนสงบมาแล้ววูบวาบขึ้นมามีความสงสัยลังเลบางคนมีคนมาตาหนิวูบวาบไม่พอใจอันนั้นนำน้ำแขมมันร้อนละอูขึ้นมาแล้วดังนั้นการทําก็สงบนั่นมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติของคนสงบเหมือนกับน้ําแขงเป็นคนบอลเลอร์บักใหญ่เอาไปตากแดดตากลมมาล ม, ลมพัดน้ําแขมก็ละลายเป็นน้าเหมือนเดิมทําจนตาย ความสงบไม่มีผมรับรองได้ร้อยเปอร์เนตันผมรับรองได้จริงๆเรื่องนี้ผมกล้าเนี่ยนี่แหละเขาว่าคนมีดีแอ้มาพูดให้ฟังไม่ใช่คนอวดดีอันนี้คนมีดีแล้วามาเล่าให้ฟังทํามาเล่าให้ฟังบุคคลผู้สนใจทําตัวเป็นไม่เข้าอ้วนๆไม่เข้าตื่นๆเนี่ยเอาไปเข้าโรงงานโรงสีมันขัดเข้ามาเป็นข้าวทีนึงไปบรรจุในกระสอบขายราคาก็ดีกินก็มีรถ ถ้าคนใดฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ลดลงมาเป็นข้าวที่สองฟังไม่รู้เรื่องเป็นข้าวที่สามฟังไม่รู้เรื่องเป็นข้าวปลายฟังยิ่งไม่รู้เรื่องเป็นลำเป็นแกบเป็นข้าวถี่นี่เป็นอย่างนั้นนี่แหละพวกเราฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมกันฟังแล้วให้รู้เรื่องนี่ผมเปรียบเทียบให้คนไปทำความสงบเหมือนกับกินน้ำแข็ง ม, นนมันไม่ใช่กินน้ำลึกมันไม่ใช่ว่ากินน้าธรรมดากินแล้วเป็นพิษ เป็นอย่างนั้นในอีกบทหนึ่งผมเคยพูดเอาไว้เข้าไปในถ้าตามปกติเราอยู่ที่มืดเอาไฟมาข้างหน้าความืดมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังความืดไปข้างหน้าเราอยู่กับคนลมรู้ควมรู้ที่เราจํามาจากครูบาอาจารย์จํามาจากตำหตำนักตำรานถึงจะสว่างเท่าไหร่เพราะเรายังอยู่ความมืดผมเข้าใจอย่างนั้นคําพูดผมผมเป็นอย่างนั้นนะผมสแสรคาพูดผมอยากคนเข้าไปในถ้าจุดไฟแล้วก็สว่าง ไฟหมดแล้วควมมดอยู่ที่มืดตามเดิมคนนั้นไม่มีโอกาสไม่มีเวลาจริงๆเรื่องนี้ถึงจะเป็นสุตะรรตะมัญญปรรัญญาจินตะมญญปรรัญญาภาวนามัญญปัญญาพอดีแต่ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าคุณนั้นคนนี้นนนผมเปรียบเทียบคําพูดของผมเองเรื่องนี้ดังนั้นการจเจริญปัญนาจึงเป็นเรื่องสบายที่สุขท่ารู้แล้วเพียงเราไปไหนพาไหนดูผมคิดเดี๋ยวนี้ทุกคนคมขอดไม่มีขมโลกไม่มีอันนี้เรียกว่าเป็นปกติ มันคิดเจ็บแค่เจ็บขาจิตใจมันพูดเข้าไปผิดปกติแล้วหนึ่งหรือมันคิดโกรธขึ้นมาผิดปกติแล้วหนึ่งดังนั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์่านั้นดับไปอันนี้ผมยืนคําพูดของพ่อแม่ปูย่ย่าตายายครูบาอาจารย์มาไลา่ฟังผมเลยพูดอย่างนี้มืดสีขาวกับมืดสีดํามืดสีขาวคือเราผิดปกติข้างดีใจมือสีดําคือเราผิดปกติข้างเสียใจคําว่าเสียใจนั้น ไปแล้วมันตายไปแล้วคาว่าเสียใจไปว่าตายไปแล้วของหลุดมือไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้เนี่ยเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นคนที่รู้อยู่ในคำจำนั้นถึงจะสว่างขนาดไหนก็รู้แค่นั้นแหละดังนั้นวิปัสสนาจะเป็นการรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงจริงและไม่เกี่ยวข้องกับตรบตรมะก็ได้แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องอาศัยรู้จาดังนั้นการทำบุญเจอือ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 ใครจะว่ายังไงก็เฉยได้เพราะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราดังนั้นคนสลาบจึงมีน้อยคนโง่จึงมีมากท่านสอนอย่างนี้คนโง่เนี่ยพูดแล้วไม่รู้เรื่องคนสลาดแล้วพูดแล้วรู้เรื่องคําว่าบุญแปลว่าความสงสมบสงบไหมก็เราไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงอยู่แล้วนคนดีโอ้บุญแปลว่าความสงบโอ้คนสงบมันมีอยู่แล้วที่เราไปทําให้มันไม่สงบ ก, ก็บเปน็นบาปแล้วเพราะเรื่องอะไรเพราะมืด มืดเพราะเรื่องเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักความสงบนั่นเองเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ก็เราไปทําให้มันสงบความสงบแบบนั้นเรียกว่างสงบแบบน้ําแข็งเอาวิทยาศาสตร์ไปทำมันก็ไม่ได้นานอันนั้นความสงบแบบน้ําแข็งอันนั้นเรียกว่าบุญทําแล้วก็สบายใจพักเดียวเถิดเรื่องการทําถนนหนทางสร้างโบสถ์สร้างศิมสร้างศาลาการประชุนั้นเป็นการทําดีเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะ์ซึ่งกันและกัน ยังไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ดังนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายให้เราเจริญจริงจริงรับรองได้ถ้าทำจริงจริงเอาสามปีแล้วผมยอมเสียตลาดชีวิตให้จริงๆร้ยอมเสียจริงๆถ้าหากไม่รู้จริงๆอ่ะอันนี้พูดมาถึงตอนนี้ก็เลยจะมาพูดรวบลัดตัดใจผมให้มันสั้นเพราะเวลาเดี๋ยวนี้ก็สองทุมเนี่ยในเสี้ยนนั้นพูดนิดเดียวก็ไปกันใหญ่แล้วนี่วันนี้ ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าคนเกิดมาร้อยปีไม่มีประโยชน์เพราะไม่เห er nah ็นอาการเกิดดับบวชมาร้อยพรษาไม่มีประโยชน์เพราะไม่เห็นอาการเกิดดับตรงกันข้ามเกิดมาวันเดียวหรือบวชมาวันเดียวร่วอการเกิดดับอาการเกิดดับไม่ใช่ว่ากรรมอย่างนี้มันเกิดแบลอย่างนี้มันดับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องถูกต้องตามคนสมัยที่เขียนขึ้นมาศรัทธาเป็นสัตว์อันหนึ่งสัจจะเป็นสัตว์อันหนึ่งสัทธามเป็นสัตว์อันหนึ่ง ซื้อสัตว์ส์ซื้อหรืออะไรอะไรตั้งๆมีตัวสอตัวอะไรผมไ ม, ไม่ไม่ไม่รู้อันนี้ผมเรียนกับพวกนี้นหละสอน <c oughs> พวกนี้สอนหนจําไม่ได้บอกครูบาอาจารย์ที่อยู่นี่เราเคยสอนผมเท่งนั้นเนี่ยผมยกเป็นครูอันนั้นไม่ใช่เป็นเกี่ยวข้องเรื่องนี้อันนี้เขามีมาใหม่ๆตอนนี้ผมก็เลยมารวบนัดตัดใจควมมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องโอดโลคหลวงไ ม, ม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้และมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องขมสงบอีกแล้วนี่อันนี้เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้า ถาพระพุทธเจ้สอนอย่างนี้แต่ทําไมรู้พระพุทธเจ้าสมมติพระพระเจ้ามาเนี่ยเราเห็นพระพุทเจ้าไหมไม่เห็นเพราะเราไม่มีภูมความควา ม, ความรู้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเราจึงไม่รู้ว่าคุนทำของคนนั้นไม่มีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าดังนั้นภูามความรู้นั้นไม่เหมือนกั น, ก น, ก น, กนจริงๆเรื่องนี้จะพูดจนตายก็ไม่รู้คนที่ไม่มีปัญญาพูดจนตายก็ไม่รู้เพราะมันไม่เคยคิดอยู่แล้วอันนี้ ยื่งขอมนุษย์ที่ไม่ดีในตบอันนี้ผมรับรองได้ทำซึ่งนั้นมันไม่มีในคนอย่าเพิ่งมาพูดปัญญาที่นั่นใช่ไหมไต้องพูดก็ได้ครับตรืงนี้คนมีปัญญาเขาจะรู้จริงๆเรื่องนี้พูดให้ผมฟังผมฟังได้แต่ผมค่าว่าคนบ้าบ้าคนนั้นกับบ้าคนนี้ไม่เหมือนกันนี่เป็นยังไงดังนั้นผู้ใดเห็นธรรมจริงๆรับรองได้คือเห็นตัวเราเห็นเรานี่คือเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้นั้นเห็นธรรม เห็นเราเห็นพวกนี้คือเห็นอะไรเห็นตัวจิตตัวสรุกต่อสุดท้ายนิดเดียวเพราะว่าพูดจะจะมีการสายสไลด์กันอยากจะให้มีการสายหนังภาพยนตร์นิ่งให้กันได้ดูะพวกเราดูกันเองบัดนี้ตอนอาการเกิดดัดนั่งขอพูดสักนิดเดียวเราต้องมองคมคิดดูไปดูไปไม่ใช่ว่าขาดช่วงกันดังนั้นผมเคยพูดให้เพื่อนฟังบ่อยๆคือมีเสื้อไนลอน เอาไปพูกเส้นสสนะซุก้น้นนั้นหลักนั้นพูกทางนี้หลักนี้มาตัดตรงกลางดึงเข้ากันไม่ถึงเมื่อแก้ทางนั้นมาต่อตรงกลางไม่ถึงซนนั้นแก้ตรงนี้มาต่อตรงกลางไม่ถึงบัณฑิตแก้ตรงกลางไปดึงสองซนไม่ถึงตรงกลางอันนี้นักปราชญ์ท่านพุทธุมาพูดไว้ในอนัญตนะสิบสองแต่ความจริงไม่ใช่เป็นอนัญตนะสิบสองเพราะมันมีอยู่แล้วในกฎของธรรมชาติมันมีอยู่แล้วอันนั้นเรียกว่ากฎตายตัว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 ดังนั้นขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายต้องศึกษาหลักพุทธศาสนาให้ถูกต้องจึงจะเป็นเมืองพุทธได้จริงถ้าเราไม่ศึกษาหลักพุทธศาสนาจะเรากล่าวว่าพุทธศาสนาก็จริงจริงโดยสมมติหนึ่งก็ดีนะจึงว่ามีสมมติบัญญัติมีปร ม, บญญมธธาบัญญัติมีอัถฐบัญญัติมีอริยบัญญัติบัญญัติสี่ข้อนี้ควรศึกษาให้รู้และควรปฏิบัติให้รู้ แต่ก่อนผมไม่เคยรู้เรื่องสมมตินี่ผมไม่เคยรู้จริงๆอายุ46ปีผมรู้วัดลองได้จริงๆเพราะทุกคนมีจิตมีใจเหมือนกันกับผมมีตามีหูเหมือนกันกับผมกินข้าวเดินดินได้เหมือนกันผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเป็นเิกสุสมนันก็ตามเป็นคนชาติไหนถือศาสนาไหนก็ตามรับรองรู้ได้จริงๆเรื่องนี้เพราะว่ามันมีอยู่ในแล้วจึงว่าผมพูดเรื่องตัวคน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 เพราะท่านหลงหลงเรียวโมหะโมหะเกิดขึ้นแล้วโลภะก็ เ, เอาซะโทสะก็เอาซะตามตัวนังสือว่าเป็นรากเง่าของอกุศลคือโทสะโมหะโลภะทำไงเลยบัดนี้ตรงกันข้ามอะโทสะอะโมหะอะโลภะคือเราเห็นเลยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ เราเห็นแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้เราสิ่จึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบถ้าเรามีสิ่ล้วสิ่งเรานี่ไม่ปรากฏเพราะบังคับช่วงอยู่แล้วเนี่ยสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางถ้าเรามีสมาธิคอยดูต้นตอเห็นคนสงบจริงๆเราไม่ต้องไปนั่งทําความสงบคนไปนั่งทําความสงบนั้นหมายถึงบุคคลไม่รู้จะไปทําเอาน้ําแข็งขึ้นมายเป็นน้าแข็งความจริงน้ําแข็งนั้มันมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติ เอาวิทยาศาสตร์มาทำแล้วน้ำแข็งไปกินมันก็เย็นพอดีจกไปท้องเล่ามันก็เกิดผมร้อนขึ้นมาเอาน้ำแข็งก้อนเบลเลอร์ไปตั้งไว้ปากแดดตักลมแล้วลมแดดคัดก็น้ำแข็งก็ละลายเป็นน้ำเลยฉะนั้นสมาทศแบบนั้นควรสงบ่างนั้นไม่ใช่เป็นหลักพุทธศาสนารับรองได้อันนี่จริงๆให้เจ้าพูดธยาในกาต่อว่าต่อเสียไใดก็เล่าเสื้อพระพุทธเจ้านี่แหละที่ว่าหนักพระพุทธเจ้ายอมเสียตลาดชีวิตจริงๆ ตัวปัญญาคือลู่จากสมุทฐานมันขาดกันแล้วเราจะไปทําอะไรก็มันขาดกันอยู่แต่นานแล้วเลยนี้มันไม่ใช่ว่ามั น, มนยมามีเดียวนี้แต่มันไม่มีอยู่แล้วเราไปสร้างให้มีขึ้นมาคือเราไม่มีปัญญานั่นเองไม่ต้องพูดว่าสุตะไม่ยากปัญญาจินตะไม่ญาปัญญาภาวนาไม่ยากไม่ต้องพูดก็ได้รัดลองได้เรื่องนี้เพราะความจริงมีอยู่แล้วควรับที่ท่านสอนหลักษณะคนมีปัญญาต้องพูดอีกอย่างหนึ่ง คนมีปัญญาน้อยพูดมาเองเนี้คนมีปัญญาน้ตุ้ยจึงมันมากเหมือนกับใบไม้ในป่าพวกเรามาที่นี่เท่าไหร่คือห้าร้อยคนนี่แหละห้าร้อยห้าร้อยคนผมเข้าใจว่าพูกมาที่นี่จํานวนห้าร้อคนผมเข้าใจว่าเข้าใจในคำพูดนี้อย่างน้อยต้องร้อยคนเนี่ผมเข้าใจอย่างนั้น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 อันมันตายแนละ้วมันไม่รู้ของจริงไปพูดตลอดทั้งวันทั้งคืนมันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อลนะ้าคนที่ฟังจนจะตายแล้วเจ็บแขงเจ็บขาฟังไปยู่ทั้งวันทั้งคืนโอ้โหมันก็เต็มทีคนที่พูดกับคนที่ฟังมันมีค่าเท่ากัน <S 2> <S 2> <S 2> ดังนั้นผมเราหมานี่ก็รู้สึกว่าเอาแต่คําที่ว่าผมกล้าได้มารับรองและมาปล่อยเพื่อนทิกสุสมัมมาเนนแม่ครวญญาชนที่เดินทางมาที่ธรรมสถานมหาจุฬาลงกรณ์นเนี่ย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มาเผยแผ่ธรรมะคําสอนของพระบิดาเ้าเราต้องตล้ารับรองได้ต้องปฏิบัติให้มันได้จริงๆเราจึงเป็นลูกสถาคตได้จริงถ้าหาว่าเราไม่รับรองได้มันก็เป็นลูกศิษย์ไม่ได้เราก็ต้องรับรองได้พ่อเราแม่เราลูอปู่ย่าตายายของเราพูดแล้วเราต้องเสือฝันเรื่องศิลธเรื่องศาสนาศาสนาผี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 สัจจะแล้วของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปแปรผันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงปลแปรผันนั้นไม่เป็นวามจริงอนนั้นผิดปกติเอาแหละท้ายที่สุดนี่ผมได้นำเอาสัจจะได้ขุมจริงเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของผมผมนามาเล่านี่คนมีปัญญาฟังแล้วรู้เวนแก่คนที่ยังไม่มีปัญญาพอก็เป็นธรรมดาขอให้ทุกท่านทุกคน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 ขอให้เราท่ทานทุกคนออกจากถ้ามาอยู่ที่สว่างสว่างคือที่ไม่มีก้มโกรธไม่มีก้มโลภไม่มีก้มหลงให้เราเห็นสภาพหรือภาวะของชีวิตจิตใจของเราที่มันสะอาดที่มันสว่างที่มันสงบในชีวิตนี้จงทุกทุกคนเอิ